และเป็นวิปปะนวิปารินามทุกคือทุกคำนี้นี่แหละพิจารณาไปโดยอาการเป็นสามทุกขะทุก ก็แปลว่าทุกคือทุกทุกคือทุกนี้ก็ตามที่พระบรมศาสด า, า, าไดแ้แสดงเอาไว้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกชราความแก่เป็นทุก มรณะความตายเป็นทุกข์โศกะความแห้งใจปริเทวะความรังจวนคร่ำครูญใจทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสสะความไม่สบายใจอุปายาสะความรับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความคลัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดวยย่อ ขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกก็คือรูปประคันกองรูปเวทนาขันกองเวทนาสัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณสติกําหนด คิดจรณาทุกคือทุกนี้ให้กำหนดให้เข้าถึงทุกเหล่านี้ที่กาย ยาววานาคืบมีสัญญามีใจครองดังกล่าวกำหนดพิจารณาชาติคือความเกิดคือความที่เกิดก่อขัน ทั้งปวงอายตนะณทั้งปวงอันรวมเป็นนามารูปนี้อันเป็นที่ตั้งแห่งสมบิบัญญัติว่าอัตภาพอันนี้ตั้งแต่ถือกำเนิดเกิดก่อขึ้นในคันของมันดา คลอดออกมาเป็นอัตภาพร่างกายจิตใจอันนี้เป็นชาติคือความเกิดว่าเป็นตัวทุกข์เพราะว่า เป็นตัวทุกข์อยู่ตามสภาพเองและเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูชราคือความแก่ คือความที่ร่างกายจำรุดสุดโทมเป็นความชราดังที่ได้ประสบกันและได้เห็นกันอยู่ ว่าเป็นตัวทุกข์ดังที่ปรากฏว่าความแก่หรือคนแก่นั้นต้องเป็นทุกข์อย่างไรตัวความแก่เองก็เป็นทุกข์ตามสภาพตั้งสติกำหนดพิจารณาดู อรณะคือความตายว่าเป็นตัวทุกทุกคนจึงกลัวตายเพราะเหตุที่ทุกคนยังรักชีวิตความตายนั่นเป็นความสิ้นชีวิตความตายเป็นทุกข์ตามสภาพ และยังเป็นตัวทุกข์ซึ่งเป็นภัยคือเป็นที่กลัวตั้งสติกำหนดพิจารณาดูโสกะความแห้งใจปริเทวะความรันจุนคร่ำครูญใจ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นจังใจต่างๆซึ่งทุกคนต่างเคยได้รับความทุกเหล่านี้และก็ยอมรู้สึกว่าเป็นตัวทุกที่ว่าแม้ว่าไม่ชอบแต่ก็ต้องพบต้องประสบ ในคราวใดคราวหนึ่งน้อยหรือมากตั้งสติกำหนดพิจารณาดูความทุกข์ต่างๆที่เกิดเพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่เกิดเพระพาะคลาดพลาดจากสิ่งที่ไม่ที่ที่เป็นที่รัก เกิดเพราะปรารถนาไม่ได้สมหวังต่างๆและก็หัดพิจารณากำหนดดูตามที่พระพุทธเจ้าสรุปมากล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์ก็เพราะมีความยึดถืออยู่ในขันห้า ขันท่าจึงเป็นที่ยึดถือซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นตัวอุปธิเข้าไปทรงคือเป็นที่เข้าไปยึดถือของจิตใจจิตใจต้องติดอยู่ต้อง ตั้งบนห่วงใ ย, ย, ย่อยู่ต้องแบกอยู่ซึ่งขั้นซึ่งขันห้าเหล่านี้ต้องแบกรูปประขันคือรูปประกายอันนี้ต้องแบกเวทนาขันสุขทุกข์หรือเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขต่างๆที่บังเกิดขึ้น ต้องแบบสัญญาขันคือกองความจำต่างๆชอบก็จำไม่ชอบก็จำเมื่อจำแล้วจะบังคับให้ลืมก็ไม่ได้ต้องแบกสังขารคือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของตัวเองละไม่ได้ แม้จะรู้ว่าอันความทุกข์เนือดร้อนต่างๆนั้นบังเกิดเพราะจิตใจนี้เองปรุงคือปรุงคิดไปเมื่อปรุงคิดไปเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์หากว่า สามารถคิดปรุงไปให้เป็นสุขก็เป็นสุขได้แต่ว่าในขณะที่ประสบเหตุอันเป็นทิ่ต่างแห่งทุกข์ต่างๆนั้นยากที่จะปรุงคิดไปในทางให้เป็นสุขก็คิดปรุงในทางที่เป็นทุกข์เมื่อคิดปรุงไปเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์ก็ต้องแบกเอาทุกข์อันนี้ไว้อันเกิดจากความคิดปรุงของตัวเอง และต้องแบกเอาวิญญาณขันกองวิญญาณคือตัวความรู้เห็นรู้ได้ยินรู้ได้ทราบรู้คิดนึกก็เพราะดับความรู้ เหล่านี้ในอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้เมื่อตาปัดกับรูปไปจวบกันก็ต้องรู้รูปคือเห็นจะเป็นรูปที่ชอบใจไม่ชอบใจก็ต้องเห็นหูกับเสียงประจวบกันก็ต้องได้ยินสันเสริญก็ได้ยินนินทาก็ได้ยินเมื่อ จะมวกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและสิ่งถูกต้องไปจวบกันก็ต้องทราบทราบกลิ่นทราบรสทราบสิ่งถูกต้องจะให้ไม่ทราบก็ไม่ได้เมื่อมโนคือใจกับธรรมะคือเรื่องราวไปจวบกันก็ต้องรู้ต้องคิดในเรื่องเหล่านั้นจะไม่ให้รู้ก็ไม่ได้ จึงต้องแบกบเอาสิด้ยินสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่สิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบสิ่งที่ได้คิดได้รู้เหล่านี้เอาไว้พอใจหรือไม่พอใจก็ต้องแบกเอาไว้และนอกจากนี้ ยังเป็นเหตุที่จะให้แสวงหาที่จะให้ได้เห็นที่จะให้ได้ยินเป็นต้นในสิ่งที่ชอบปรารถนาหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนายังเป็นเหตุให้เกิดความข้นขวายต่างๆ ดังกล่าวก็ตรงแบบเอาไว้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวทุกข์เพราะไปยึดเอาไว้แล้วก็ปล่อยก็ไม่ได้แล้วยิ่งยึดก็ยิ่งเป็นทุกข์ก็เป็นไปอยู่ดังนี้ตามตัวอย่างที่แสดงมานี้ คือขัดตั้งสติกำหนดพิจารณาดูทุกข์ขัดทุกข์คือทุกข์คือทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงแสดงสั่งสอนเอาไว้อันหนึ่งก็หัดตั้งสติ กำหนดพิจารณาสังขารทุกทุกคือสังขารก็คือบรรดาทุกข์กับทุกทุกคือทุกตามริปุรพุทธเจา้าทรงํำแนกแจกแจงเอาไว้ตั้งแต่ชาติติทุกข์ทุกคือชาติคือความเกิดทั้งปวงนั่น ก็รวมเข้าเป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือความประสงค์ความผสมปรุงแต่งท้งนั้นดังชาติคือความเกิดก็คือความผสมปรุงแต่งของธาตุหกเข้าด้วยกัน ธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุคือธาตุรูปมาผสมกันจึงก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นบุคคลนี้ก็คือสังขารคือความสมความผสมปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง ชาราคือความแก่บรารณะคือความตายเป็นต้นก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งเป็นความผสมปรุงแต่งแม่โสกความแห้งใจปริเทวะความครื่มทุนใจเป็นต้นก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือเป็นความผสมปรุงแต่งก็คือว่า จิตกระลมอันเป็นที่ไม่ปรารถนาพอใจมาผสมกันและจิตนี้เองก็คิดปรุงหรือปรุงคิดขึ้นมาเมื่อปรุงคิดหรือคิดปรุงขึ้นมาในทางทุกก็เกิดทุกข์เป็นโศกเป็นปริเทวะเป็นต้น ความประจวบกับส like ิ่งที่ไม่เป็นที่รักความพดพรากอย่างสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งหรือความผสมปรุงแต่งเพราะว่าสิ่งที่เป็นที่รักก็ตามไม่เป็นที่รักก็ตามก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้น เป็นบุคคลเป็นวัตถุสิ่งนั้นสิ่งนี้ประกอบขึ้นนธาตุทั้งหลายทั้งนั้นมาผสมปรุงแต่งขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่และอาการที่ประจบ ก, ก็คือความที่สิ่งเหล่านั้นมาผสมปรุงแต่งเข้ากับจิตใจ จิตใจไปยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่ปล่อยแม้ความคลัดพลาดซึ่งดูเหมือนไม่ผสมปรุงแต่งก็ตามแต่อันที่จริงเป็นควา ม, สวามผสมปรุงความผสมรุงแต่งเพราะว่าจิตใจนี้ยังยึดถือ สิ่งที่เป็นที่รักต้องคลาดคลาดไปด้วยเหตุใดก็ตามถ้าจิตใจไม่ยึดถือปล่อยได้ก็ไม่เป็นทุกข์แต่เพราะจิตใจมีความยึดถือซึ่งตัวความยึดถือนี่แหละเป็นตัวสังขารคือความผสมปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่งโดยเฉพาะจิตใจยังปรุงแต่งอยู่ยังยึดถืออยู่ ว่านี่เราชอบนี่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบเราไม่ได้สิ่งที่เราชอบต้องเสียไปจิตยังผสมปรุงแต่งอยู่เป็นตัวสังขารอยู่ความปรารถนาไม่สมหวังก็เช่นเดียวกันยังมีความปรารถนาซึ่งเป็นตัวความผสมปรุงแต่งอยู่จึงต้องพบความไม่สมหวัง ซึ่งต้องมีอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ย่อลงในขันห้าตัวขันห้านี้ก็ล้วนเป็นตัวผสมปรุงแต่งเท่านั้นรูปปัะนขันก็ปรุงแต่งผสมปรุงแต่งจึงเป็นรูปปัะนขันขึ้นมาเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นตัวผสมปรุงแต่งเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งจึงเป็นเวทนาเป็นสัญญา เป็นสังขารเป็นวิญญาณขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดเมื่อยังเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอยู่ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในไตรลักษณ์จึงได้ตรัสสรุปเอาไว้ว่าสเบ ส, สังขาราอานิจจ สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสบเบสังขาราลุค่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์สบเบธรรมาอนัตตาทาทั้งปวงก็คือทั้งสังขารและทั้งวิสังขารมีสังขารคือสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่โดยเฉพาะแล้ว ที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงทุกข่าเป็นทุกขอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ให้หตั้งสติกำหนดพิจารณาดูให้รู้จักสังขารและทุกทุกคือสังขารดังกล่าวมานี้และต่อจากนี้ ก็หัดกำตั้งสติกำหนดพิจารณาดูวิปรินามทุกทุกคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสืบมาจากสังขาระทุกกล่าวคือสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งตววที่เป็นทุกนั้น ก็เพราะต้องตกอยู่ในทุกขะทุกขะทุกคือทุกดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสจำแนกแจกแจงเอาไว้คือต้องเกิดต้องแก่ต้องตายเป็นต้นและเมื่อสรุปมาแล้วก็ย่อมสรุปเข้าได้ใน สังคตะ ล, ลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งอันเรียกว่สังขารนั้นทั้งปูงคืออุปาโดปัญญาญาติความเกิดปรากฏวยโยปัญญาญาติวัยคือความเสื่อมไปปรากฏ ทิตัสต์อัญญะถัดตังปัญญายติเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นสังขารทั้งปวงจึงต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต้องเกิดต้องดับ ความพิจารณาให้เห็นวิปรินามทุกขทุกคือความแปรปรวนเปลี่ยนแป ล, ง, ป ล, ง, ปลงไปดังนี้ย่อมจะทำให้ได้มองเห็นไตรลักษณ์ชัดขึ้นจะทำให้ได้ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริง ในอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงทุกขาตาความเป็นทุกขอนัตตาความเป็นของไม่ใช่อัตตาตัวตนในสังขารทั้งปวงและท่านแสดงว่าผู้ที่พิจรารณามองเห็นทุก เมื่อได้ปัญญาเป็นมีปัจสนาปัญญารู้แจ้งเห็นจริงย่อมจะได้ธรมาจากสุคือดวงตาเห็นธรรมว่ายังกินจิตสมุทยธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสับบัญตังนิโรธธรรมมังสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา คือมองเห็นเกิดดับดังนี้ก็คือเห็นวิปริณามะทุกและเมื่อเห็นวิปริณามะทุกก็เป็นอันว่าได้เห็นทุกข์กับทุกข์ทุคือทุกข์สังขารได้ทุกข์ทุกข์คือสังขารร้อมทั้งวิปริณามะทุกข์ทุกข์คือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป บัดนี้จัดแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมศิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอกน้อมนมัสการพระภูมิพระภาค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 พระบรมศา ส, สดาได้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นพระุลานุศาสนีคือเป็นอนุศาสนีคำพร่ำสอนไม่เป็นอันมาก ให้บุคคลรู้ทุกหรือรู้จักทุก์โดยที่ได้ทรงยกเอาขันห้า อาจักสิบสองขึ้นแสดงโดยทวิลักษณะสองหรือ